ชื่อเรื่องดื่มชาเมื่อไม่มีทางออกเรื่องนี้นะคะได้มาจากอดีตทหารหนุ่มที่เคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพอังกฤษเมื่อสงครามโรคครั้งที่สองค่ะเขาเล่าว่าขณะกำลังลาดตระเวนอยู่ในป่า ท, ทึบของพมา่าเขายังหนุ่ม อยู่ใกลจากบ้านเกิดเมืองนอนและกําลังขวัญเสียค่ะทหารพรานจากหน่วยลาดตะเวนกลับมาแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้บัญชาการหน่วยลาดตะเวนเล็กๆนี้ได้พบกองทหารญี่ปุ่นมากมายหลายกองโดยบังเอิญทหารญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะกว่ามากและโอบล้อมไว้ทุกสารทิศ นายทหารอังกฤษหนุ่มผู้นี้เตรียมตัวที่จะตายค่ะเขาเชื่อว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยจะต้องออกคำสั่งให้สู้เพื่อตีฝาออกไปนั่นเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายจะต้องทำบางทีนะบางคนอาจจะรอดแต่ถ้าไม่รอดเขาก็จะได้ปริชีวิตค่าศึกบางคนให้ตายไปกับเขาด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทหาร ควรจะทำแต่ไม่ใช่นายทหารผู้บังคับบัญชาของเขาเขากลับสั่งให้ทหารอยู่เฉยๆนั่งลงและชงชาก็เป็นกองทัพอังกฤษนี่ทหารหนุ่มคิดว่าผู้บัญชาการของเขาน่าจะบ้าไปซะแล้วใครล่ะจะสามารถ นึกถึงชาสักถ้วยในขณะที่กำลังถูกศัตรูเนี่ยล้อมอยู่โดยไม่มีทางออกและใกล้จะต้องตายแต่ในกองทัพค่ะโดยเฉพาะเวลาสงครามเนี่ยทหารจะต้องทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดทหารทุกคนจึงชงชาที่พวกเขาคิดว่า คงจะเป็นชาถ้วยสุดท้ายในชีวิตก่อนที่จะดื่มชาเสร็จทหารพรานก็กลับมาและกระซิบกับผู้บัญชาการจากนั้นผู้บัญชาการจึงประกาศกับทุกคนว่าค่าศึกได้เคลื่อนย้ายไปแล้วตอนนี้เรามีทางออกแล้วจงเก็บของโดยเร็วอย่างเงียบๆ ไปกันเถอะค่ะทุกคนนะคะรอดกลับออกมาด้วยปลอดภัยนั่นเป็นเหตุให้เขาเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟังว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้ชีวิตแกสติปัญญาของผู้บัญชาการคนนั้นไม่ใช่เฉพาะในสงครามที่พม่าเท่านั้นแต่อีกหลายๆครั้ง นับแต่นั้นมาหลายครั้งหลายคราวในชีวิตของเขาเสมือนกับว่าเขาเนี่ยตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูที่มีจำนวนมากมายนักเขาไม่มีทางออกและกำลังจะตายศัตรูที่เขาหมายถึงคือการจิบไข้ได้ป่วยอย่างหนักอุปสรรคที่น่ากลัวและความวิบัติ ถ้ามกลางสิ่งเหล่านั้นนะ่ยดูเหมือนว่ามันไม่มีทางออกจริงๆถ้าเขานะไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่พมา่าเขาคงต้องพยายามต่อสู้เพื่อหาทางออกจากปัญหาเหล่านั้นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเลวร้ายลงแต่แทนที่จะทําเช่นนั้นเมื่อความตายหรือปัญหาปางตาย รุมล้อมตัวเขาในทุกๆด้านเขาจะแค่นั่งลงและดื่มชาค่ะโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคันลองของชีวิตเขาดื่มชาประหยัดพลังของเขาไว้และรอเวลาซึ่งย่อมจะมาถึงเสมอเวลาที่เขา สามารถจะทำอะไรสักอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการหนีให้รอดท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบดื่มชาโปรดจำคำนี้ไว้ค่ะเมื่อใดที่ไม่มีอะไรให้ทำเมื่อนั้นก็ไม่ต้องทำอะไร ประโยชน์ข้อที่5ค่ะช่วยให้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่น่าชื่นชมแน่นอนค่ะคนที่มีสติไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูสำรวมสุภาพเรียบร้อยไปหมดเวลาจะลุกนั่งเดินเหินก็ไม่ส่งเสียงเกีย้ยดังเตาะแตะมาแต่ไกลคำพูดคำจา ก็ไม่โวกเวกโวยวายให้เป็นที่รำคาญของคนอื่นเวลากินก็ไม่จุบจับจุบจับเมื่อถึงคราวตกใจก็ไม่วิทย์ไว้กระตู้หูประโยชน์ข้อที่6ค่ะสติเนี่ยมีความสำคัญยิ่งกับชีวิตของเราแม้ลมหายใจสุดท้ายเพราะ เมื่อวินาทีแห่งความตายมาถึงถ้าช่วงเวลานั้นขาดสติก็มีโอกาสไปเกิดในแดนทุคติภูมิคือสถานที่ที่ไม่ดีมากไปด้วยความทุกข์ได้แก่นรกเดระฉานเปรตอสุลกยัยแต่ถ้าหากสติยังดีพร้อมก็มีสิทธิ์ไปเกิดในแดนสุขติภูมิ คือสถานที่ดีได้แก่มนุษย์และเทพและถ้าหากมีสติดีมากๆรู้จักใช้ช่วงจังหวะเวลาสำคัญนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถทำจิตให้ว่างปล่อยวางได้สำเร็จก็อาจถึงขั้นนิพพานดังที่ท่านพุทธทาสพิกุใช้คำว่าตก กระไดพลอยกระจนข้อนี้ขอเน้นเลยนะคะถ้ากำลังจะตายแล้วมีสติดีสวรรค์เลือกได้เลยค่ะเรื่องมีดังนี้ค่ะ